พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่24มิถุนายน2556มีชื่อเรื่องว่าอุโบสถพิธีและทำให้พอดีตัวเมื่อวนันเป็นวันอุโบสถ พระทั้งหมด41รูปเมืม่อวานนั่นนะแต่มีหลวงตาตองไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล น, นาโสมพระถ้าไปป่วยอย่างนั้นจะทำอย่างไรนะอันนี้ก็พระใหม่ทั้งหลายก็ควรจะศึกษาเหมือนกันนะซึ่งเราจะไปอยู่นัสถานที่ใดไม่ได้ลงอุโบสถอย่างที่เราไปยุ่น ในโรงพยาบาลอย่างนั้นอ่ะหรือเราไปอยู่ในป่าไปปีกพี่เวกหรือว่ามีกิจธุระที่จะต้องไปด่วนเยี่ยมพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ยแต่เราไปสององหรือองค์เดียวหรือสามองสี่องค่ละล้วจะทำยังไงเมื่อวันถึงวันอุโบสถถ้าไปองค์เดียวอย่างเนี้ยยกตัวอย่างอย่างหลวงตาต๋องเนี่ย ที่ไปป่วยในโรงพยาบาลนะเออวันนี้เป็นวันอุโบสถของเราเป็นวันเดือนเจ็ดแพ่นเป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำพอถึงวันนี้นะตั้งแต่ตีสี่ตีห้าสว่างนะ่ะเราก็ไหว้พระอนะลาหังสวากาโตสุปฏิปโนนั่งคุกเข่านะ ถ้านั่งคุกเข่าไม่ได้ก็นั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งเก้าอีก้ก็ได้สุดแท้แต่มันสุขภาพนะแต่ถึงยังไงวันอุโบสถต้องระลึกถึงวันอุโบสถเจ็ดและวัยพระอรหังสวาคโตสุปฏิพนโนเสร็แล้วะโมตัสสะปะกวะโตอรหาโตสมาสัมพุทธศัตสามครั้งจากนั้นอธิษฐานอธิษฐานอุโบสถอัจฉรอุปสโท ปนณรโซป น, นรารโซแปลว่าสิบภาคค่ำเป็นวันปักขาดสนะิบภาคค่ำถ้ว่าอัชเมอุปโปจโตจัตตุ ด, ดโซแนะปลว่าสิบสี่ค่ำเป็นปักไม่เต็มแลมสิบสี่คนะ่ำถือวันดับเดือนดับเกิ ด, ด, ดขี้มันดับสิสี่ถ้าว่าสนะิบภาอัชเมอุปโปจโตปนณรโซสามครั้งนะ อันนี้แปลว่าลงอุโบสถแหละแปลว่าอธิษฐานอุโบสถคือไม่ได้มองข้ามวันนี้เป็นวันอุโบสถของข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันอุโบสถสิบห้าข้าของข้าพเจ้าลักษณะอย่างนั้นอ่ะอจะว่าเป็นสององค์ไปด้วยกันสององค์ก็บอกบอกปริสุทธิแสดงอาบัาตซะก่อนะพอแสดงอาบัตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกปริสุทธิะ ผลิสุดโถอหังพันเตพระที่ชุดโถอ่างอาวุโสแปลว่าข้าพเจ้าบอกความบริสุทธิตพอแสดงอาบัตแล้วแสดงความบริสุทธิ์ต่อกันสององนั่งประนมมือหันหน้าเข้าหากันฝากนโมสามจบซะก่อนข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนที่จะตอนที่จะทําสังฆกรรมจากนั้นก็บอกผริตชุด ปริจุดโธอหังอาวุโซปริสุดโธติมังทาเรหิและองค์ที่สปริสุดโทอะหังพันเตปริสุทโทติมังทาเรท่าสององค์แต่ได้สามองค์สมองค์สวดยติสวดยติองค์หนึ่งแสดงอาบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งนโมวานโมพร้อมกันจะได้กับสวดยติ บอกว่านี้นะสามองค์เนี่นะพวกเราวันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเรานะขอให้พวกเราบอกประจุที์ต่อกันทั้งสามองค์อันนี้ก็คือสามองค์ถ้าสี่องค์ถึงต้องสวดพระปฏิโมกข์เท่านั้นถ้าไม่ได้ปฏิโมกข์ทายังไงสวยดย่อได้ไหมพอมีขับขันทําสวดไม่ได้ก็ไปหาวัดที่สวดได้ต้องฟังพระปฏิโมกข์จะไปอยู่แบบ ไม่ลงอุโบสถไม่ได้ปรับอวบัตทุกกฎนี่แหละพวินัยของพระสงฆ์ต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่จะบวชอยู่นานต้องศึกษาเกี่ยวกับวินยัยไม่ใช่ว่าอยู่เด่นๆนันด้านะจะเป็นพระเลยไปได้นะต้องวินัยนะต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในระเบียบเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะพาลุกพหลานทั้งหลายให้อยู่ในกรอบให้ศึกษาเรื่องวินัยของสองฆ์ พิธีลงอุโบสถทำยังไงที่ใช่ ว, วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำให้มันถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะไม่ได้นะไปว่าขาดตกบกพร่องถ้าทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็ น, น, นานๆหนนลวงพ่อจะได้พูดปลระลึกได้ขึ้นมาก็พูดให้ฟังพวกคณะสัายาติโยงพุทธบริษัทเหมือนกันกณะาจะรับผู้รับทราบเหมือนกันนะว่าพระสงฆ์เขา ท่านทำอย่างไรมีวินัยอย่างไรกฎระเบียบของท่านเป็นอย่างไรพวกเรากัพุทธบริษัทสีก็ควรจะรับผู้รับทราบด้วยกันนะั่นแหะเพราะอันนี้เกี่ยวกับวินยัยแต่ถ้าว่าหลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางที่ว่าจะเปี้ยทุกตัวหนังสือหลวงพ่อก็ไม่กลา้าที่จะยืนยัดเหมือนกันแต่ไปตามแนวแถวนี้แน่นอน ถ้าจะพูดให้เปรี้ยคมึงต้องเอาตำราขึ้นมาพูดกันเพราะนั้นพวกที่จะไปลักษณะอย่างนั้นก็ต้องศึกษาในภาวินัยมีอยู่เหมือนกันเราจะพูดในแง่ของกฎหมายอย่างนั้นถึงจะเรียนรู้ถึงขนาดไหนก็เถอะแต่เราจะไปพูดจริงๆเราก็ต้องเหลือบตามองตัวหนังสือกฎหมายซะก่อนทุกครั้งก่อนที่จะพูดนะ ไม่ใช่ว่าจะพูดยาวเหยียดไปรู้จักหมดทดทุกอย่างเราไม่ใช่หัวสมองเครื่องคอมพิวเตอร์ฮนะแต่เขาคอมพิวเตอร์นะถ้าเขาเอาข้อมูลทบผิดมันก็ยังคิดผิดเหมือนกันเพราะนั้นแต่ว่ารู้แนวทางว่าแนวทางของวินัยจุดนี้ยทําอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรพอหลวงพ่ออ่านวินัยก็ไม่ใช่อ่านเล่นเล่นเหมือนกันนะศึกษาแล้วศึกษาอีก วินยนะัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอ่านครั้งเดียวรอบเดียวแล้วจบแล้วก็จะจดจําเอาไว้ไม่ใช่มันต้องอ่านหลายครั้งหลายครั้งตลลายหนวิธีการดําเนินวิธีการทําสังกกรรมอย่างไรนี่ก็ให้พวกเราทุกนนะทกองน่ะผู้ที่จะบวชดํารงสงศ์ศาสนาต่อไปภายภาคหน้าควรจะอ่านศึกษาวินยัยให้เข้าใจให้ชัดเจนนะถึงจะไม่ เป็นผู้วินิจฉัยคดีความเหมือนกับพิพากษาอายการเราก็ไม่ถึงขนาดนั่นก็เถอะแต่ว่าให้เป็นผลลเมืองที่ให้รู้จักกฎหมายไม่ใช่ว่าจะทำผิดกฎหมายแล้วเขาจับไปเข้าคกุกยิงจะรู้ว่ากฎหมายคืออันนี้นะไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ไปในระดับหนึ่งถ้าเราไม่รู้กฎหมายจะเลย เราจะเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรทำไปเรื่อยผิดไปเรื่อยจนเขาจับเข้าคุกเข้าตารางนะเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเราก็ต้องศึกษาเรื่องกฎหมายพอสมควรกฎหมายที่หนักหนาคืออะไรกฎหมายคลุโทษและหูโทษกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายโทษประหารสิ่งเหล่านี้เราก็ควรจะได้เรียนรู้เหมือนกันอันนี้เราเป็นพระ เราก็ต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันกฎระเบียบนี้โทษประหารของการเป็นพระนั่นคืออะไรคลุโทษคือโทษหนักแล้วก็คลุโทษรองลงมาโทษที่ว่าขัางคุกตลอดชีวิตหรือว่าขัางคุกขนาดไหนอันนี้พระวินัยก็มีหนักเบาเหมือนกันอันนี้ก็ควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้ เกี่ยวกับวินัยของพระสงฆ์ศีลและวินยัยสรุปแรกก็คือกฎหมายกฎหมายปกครองบ้านเมืองกฎหมายปกครองสงฆ์ในพระวินัยถ้าว่าท่านไม่ว่าปกกฎหมายท่านว่าศีลแต่รวมแล้วก็คือเป็นกฎกติกาสําหรับปกครองสงฆ์นั่นแหละอาจจะว่ากฎหมายก็ใช่อาจจะว่ากฎระเบียบก็ใช่ จะว่าศีลศีลและวินยัยศีลก็ใช่วินัยก็ใช้อันเดียวกันแต่เพียงแต่เราเรียกชื่อเท่านั้นเองสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมากน้อยให้อยู่ในกฎอยู่ในและเบียบอยู่ด้วยด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกแรมหนึ่งข้าเดือนเจ็ดพระทั้งหมดในวัดของเราขนาดนี้สามสิบเก้ารูปนะแต่หลวงพ่อก็ได้เตือนเมื่อคืนเนียบอกว่าจากนี้ไปก่อนเข้าพรรษาเนี่ย หเดือนนะพี่น้องคณะสัยาญาติโ卜ลูกหลานพระเนตรนะหนึ่งเดือนควรจะคิดวางวางแผนตัวเองอย่างไรอันนี้ก็ควรจะคิดคิดไว้แต่เนินเนินเหมือนกันผู้ที่จะท่องพระปฏิโมกในพรรษาก็เอ้าเตรียมผู้ที่จะภาวนาตลอดพรรษาเอาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่พรรษานี่ก็เอาเตรียมแต่พถึงยังไงเรื่องการงานหลวงพ่อก็ จะพยายามดูๆให้ห่างๆไว้เหมือนกันให้หนักไปทางคณะคณะาวาญาติโยมส่วนพระสงฆ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปช่วยชยดูดูแลๆเพราะว่าเราจะไปถือว่างานนะั้นเป็นงานชะนังขจฉ า, ามิจริงๆก็มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะงานก็คืองานคือเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยทำไมทำซะเลยก็ไม่ได้เราไม่ใช่ ขนาดนกหนูปูปีกเขาก็ยังมีรวงมีรังยังมีรูมีที่พักพ่าอาศัยขนาดจิระฉานเขาก็ยังหาที่หลบที่ซ่อนอเราเป็นพระเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สติใช้ปัญญาเราจะไม่มีที่พักพ่าอาศัยเสเลยมันก็ไม่น่าถูกอีกเหมือนกันแต่ถ้าทำอะไรหลู่มหลาโอ้อาจนเกินสมณะสารูปไป ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้พอเหมาะอ่าพอเหมาะเหมาะสมกับสมณะสารูปเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายประวินัยของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นไม่เนื่องได้ยังไงตอนเช้าก็ไปบินธบาตมาฉันใช่ไหมละ่ะและ ก, การเป็นอยู่ แล้วก็ทำตนอย่าไปเป็นกขนเลี้ยงยากอย่าเป็นพระที่เลี้ยงยากมีอะไรก็อยู่ฉันตามอัตภาพมันมีของดีมันก็ใช้ของดีฉันของดีแต่ไม่ให้เดือดไข่เดือดร้อนถึงจะดีขนาดไหนก็เถอะถ้าทำขึ้นไปแล้วมันมันเกินกว่าเกินกว่าการเป็นอยู่ของเราอันนี้เราก็ต้องระวังเองเหมือนกัน พอในชุมชนและสังคมในเพื่อนมนุษย์ถ้าหวาเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ถ้าเราได้มาโดยเป็นธรรมเราก็ให้คนอื่นก็ได้ในพระในครั้งพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตากระพาดําเนินมาแล้วเลยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นองค์หลวงตาท่านช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ยังไงกับโลกกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้อันนี้พวกเราก็ ถือพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์เป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างของพวกเราถ้าทำอะไรแต่ถึงยังไงก็ยึดหลักฟิถีพระธรรมวินัยเป็นหลักพระวินัยนะนะั่นแ่ละศีลและวินัยนั่นะเป็นหลักไว้สรุปแล้วก็คือปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นนะเราไม่ถือได้ใช่ว่าจะถือว่าเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นยศถาบรรดาศัก์ เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสระนที่พึ่งของพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นถ้าใครไปถือถึงขนาดนั้นคนนั้นทุกปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ถึงอาศัยขนาดไหนก็เถิดอีกสักวันน่ยก็ถึงจุดจบอีกเหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้แต่ในขณะที่อาศัยนะพยายามดูเรือแพของเราอย่าให้มันแตกอย่าให้มันรั่ว แล้วก็จะไปหาทองคํามาปิดหัวเรือให้เพชรนินจินดาอยู่ที่ไหนจะมาปิดหัวเรือเราถึงขนาดนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันแต่ถึงยังไงจะให้เรือผุเรือลุ่ยจนตัวเองจะตายแหละไม่ตายแหลยอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันแล้วเราจะทํำยังไงจึงจะพอเหมาะพอเหมาะพอดีเป็นไปได้อย่างคราวาดญาติโยมก็เหมือนกัน เรามีครอบมีครัวมีลูกมีทายาทเราจะวางยังไงจึงจะถูกต้องตามทายาทของเราที่เหมาะสมแล้วเราเป็นพระเราจะวางตนอย่างไรในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ทุกจากเพียงพอก็ไม่ได้ไม่ถูกแต่ถ้าวเป็นฆรวาวาิญาติโยมหาได้ขนาดนี้แล้ว จนเป็นทุกข์เป็นร้อนหาเพื่อเผื่อลูกเผื่อลานต่อไปภายภาคหน้าอีกจนไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่โลภตลอดไปก็ไม่น่าถูกอีกเหมือนกันเพราะว่าเราหาเลี้ยงเขาในระดับหนึ่งต่อไปเขาก็ต้องหาต่อไปอีกถ้าเขาไม่รู้จักหาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้จักหามีแต่ถลุงจะหาให้เท่าไหร่มันจะพอมันไม่พอหรอก เพราะว่าคนที่หาก็คือแต่คนที่มาถลุงนะั้มันง่ายกว่าเพราะไม่ไม่เห็นคุณค่าของการหามาให้นี่ก็เหมือนกอันน่ยวัดวาศาสานาหลวงพ่อเองไม่ได้คิดทําอะไรให้เผื่อไว้ให้ลูกน้องต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยมีหรูหรามโห อ, อาไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อไม่เคยคิดคิดแต่ว่าความเหมาะสมมากน้อยอย่างไงแค่ไหน ถูกต้องไหมในขณะที่คนทั้งหลายเขามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้แต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าอื่นนั้นะผู้ที่สืบทอดไปเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่จะทํายังไงกับสุดแท้แต่ทําต่อไปภายภาคหน้าแต่เราเนี่ยเป็นผู้มีบุญหนักสักน้อยขนาดนี้เราก็ทําให้พวกกลุ่มของเราคณะของเราญาติโยมของเราในกลุ่มนี้ให้ได้รับความสะดวกพักสุขพอสมควร ในสถานะการเป็นอยู่ของเราในช่วงนี้ขณะ น, นี้แต่จะให้เดือดร้อนเกินไปทุกข์ลาบากเกินไปก็ไม่น่าจะทุกข์รู้ละโออังเกินไปก็ไม่น่าจะทุกข์นี่หลวงพ่อพยายามจุดตามสติปัญญาที่หลวงพอมองเห็นนะหลวงพอมองด้วยสติปัญญาของหลวงพ่อเพียงแค่นี้นะหลวงพ่อก่อนจะเอาออกมาใช้เพียงแค่นี้ แต่ที่งยังไงก็ตามหลวงพ่อเคยบอกกล่าวกับพวกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ต้องหนักใจเนอลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนที่จะทำงานช่วยทำบุญทำทานช่วยวัดวาศาสานาวัจจวาศาสานาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไปไม่ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจในการเป็นอยู่มันค่อยเป็นค่อยไปของมันนั่นแหละ แต่หลวงพ่อดิเป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็มองเหมือนกันมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเป็นไปได้อยขนาดนี้หลวงพ่อจะได้ออกปากอเออทำไปแต่ตัวไหนที่มันจะเดือดร้อนมันจะทุกข์มันจะทําให้วัดของเราเสียหายวัดวาศาสนาระาศาสนาเสียหายหลวงพ่อก็คงจะไม่นำํำพาลูกน้องลกูกศิษย์ ลูกหายัดศรัท ธ, ธาญาติโจมทำให้เกินฐานะของตนเองแต่ว่าคิดว่าเป็นไปได้ยังค่อยทำทำด้วยความสบายใจสรุปแล้วแต่ว่าถึงยังไงในช่วงหนึ่งเราก็อาจจะว่าออหรูหราโออาเกินไปแต่ว่าเรามาคิดในในการเป็นอยู่ของพวกเราถ้าคิดไปดูดูให้ดีแล้วก็วางบวกลบภูนหารดู ใหม่มันก็เกินไปแต่ต่อไปภายภาคหน้ามันอาจจะพอดีพอดีแต่บางเทีมันอาจจะตกต่ําก็ได้เพราะว่าเราเราวางแผนผิดไปเนี่ยอันนี้มันก็ต้องเกิดได้ทั้งนั้น่ะโลกอนี่โลกอเนจังโลกอเนจังทุกขังอนัตตาขอให้พวกเราทุกทุกคนนะอันนี้นานๆหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการดูแลกัน เป็นอยู่ของพวกเรานะาว่าเราไม่พูดจุดนี้เลยก็จะเข้าใจผิดกันถ้าว่าพูดบ่อยๆมันก็ลาคาญหูมันกันน ะ, ะเพราะนั้นนานๆจะได้พูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นครั้งคราวอันตอนนี้ไปละพร อ, อนุโมทนาให้พร